โยมเยอะนะโยม <c oughs> ก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆหน่อยหลวงพ่อดูให้ได้ไม่ทั่วถึงการปฏิบัติธรรมจริงๆนะเบื้องต้นต้อง ห, หัดรู้สภาวะไป <c oughs> เราต้องเรียนเรื่องตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจให้เราหัดรู้สภาวะของกายของใจเรื่อยๆไม่มีทางอื่นเลยการปฏิบัติไม่มีทางอื่นเนาะ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 มีแต่เงื่อนไขมากมายนะมีแต่การบังคับมากมายแท้จริงก็แค่รู้สึกรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจส่วนรูปแบบของการปฏิบัตินะใครถนัดใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้อันนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญรูปแบบมันก็คล้ายๆกล่องบรรจุสินค้านะเรียกบรรจุพันธุ์เท่านะั้นตัวสําคัญคือเนื้อในของสินค้านะ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 สติเป็นความระลึกได้ลืมซะนะลืมซะคำสอนทั้งทั้งหลายที่ว่าสติคือการกาหนดนะสติไม่ได้แปลว่ากาหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะอย่าไปแปลผิดนะบางทีเราใช้ภาษาไทยเราใช้เพลินนะอย่างเราบอกว่าทุกให้กาหนดรู้อะไรเนี่ยเราพูดเราเองนะในภาษาบาลีท่านใช้คาว่าทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังหมายถึงทุกขสัจนะเป็นของควรรู้รอบ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 อย่างนี้สติจะไม่เกิดละกิเลสมันครอบงําซะก่อนละนะแต่ถ้าเราเดินไปโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยก้าวเท้าไปนะเกิดะระลึกขึ้นได้เห็นรูปมันเดินอยู่เนะี่ยสติมันะระลึกขึ้นเองหรือใจลอยอยู่นะั้เราเดินเดินอยู่ใจลอยอยู่เกิดะระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยไปเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาเองสติที่เกิดเองเนี่ยถึงจะใช้ได้สติที่ไปกําหนดให้เกิดไม่ใช่ของจริงนะลงกําหนดเมื่อไหร่ก็คือโลภะมันแทรกละ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 ฉะนั้นให้ทําแต่จนถึงฌานที่สองมันดับมิตกพิจจานไปจะเกิดสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเพราะเอโกทิภาวะเกิดขึ้นคือาธาตรู้เกิดขึ้นตัวรู้เกิดขึ้นเอโกทิภาวะเนี่ยอธิกฐานอธิบายว่าคือสัมมาสมาธินั่นเองใจมันมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเห็นว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดในฌานนั้นนะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะ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 จะเห็นเลยว่าเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกความรู้สึกเฉยๆนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดนะจะเห็นว่ากูสนกูศนทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดนะี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพอกําลังของสมาธิเสื่อมจิตก็ไหลเข้าไปคลุ ก, กอารมณนะ์ก็มาทําความสงบใหม่จิตก็ถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกนะเข้าออกเข้าออกฝึกอยู่อย่างนี้นะอันนี้เป็นสําหรับคนซึ่งทําชาญได้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 ถ้านั่งรถกับป่องเองนี้ไม่ใช่ชั้นละนะมันกระจอกไปเนี่ยเวลาจะคุยกับคนนี้ต้องวางมาส์ตเนี่ยชั้นต้องเป็นอย่างนี้แหละชั้นต้องเท่ๆนะชั <c oughs> ้นเวลาคุยกับคนนี้ต้องทําเสียงหล่ออะไรเงี้ย <c oughs> จะดัดแปลงปลอมแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในกายวาจาใจของตัวเองนะ <c oughs> เพื่อเสริมอัตตาตัว ต, วตน <c oughs> เพื่อหลอกตัวเองว่าว่าอัตตามีจริงๆตัวตนมีจริงๆนี่พวกเราเจริญสติมากเข้ามากเข้านะเราวันหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวตนไม่มีหรอก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 เพาอดทนนะพวกเราก็อดทนฟังหลวงพ่อก็อดทนพูดไปเรื่อยเรืยด้วยความอดทนทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็พอเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงสั่งให้มาสอนอยู่ที่นี่ไม่ให้ทิ้งเนะพราะที่นี่เป็นที่ที่บ่มเพราะผู้คนจนํานวนมากขึ้นมานะสร้างผู้ที่มีการเจริญสติขึ้นมาเป็นจนํานวนมากนะถ้าเรายังเจริญสติอยู่เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะ บางคนนั่งฟังฟังอยู่ในนี้แหละปิ้งขึ้นมาก็มีนะมีพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมจิตทำอะไรบ้างจิตนีไปคิดเหส่วนใหญ่จิตจะหนีไปคิดลงไปคิดให้รู้สึกนะลงไปคิดแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากหรอกนะง่ายครูบาอาจารย์แต่ลงลสอนนิดเดียวยิ่งแก่ยิ่งสอนสั้นหลวงพ่อสั้นลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกไหม <laughs> อย่างลวงปูด่ดูลนะสอนเรือนิดเดียวดูจิตเรือนิดเดียวนะอาจารย์มหาบัวเคยไปเรียนกับท่านท่านก็สอนนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสอนแค่นี้เองถ้ารู้สึกรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้เทศได้สิบห้านาทีจบนะ <c oughs> เอาใครจะเชิญ ใครจะคุยวันนี้ทีมงานเตรียมพร้อมครับก่อนทีมงานเตรียมตัวไม่ทันคือการก่อนหลวงพอ่อเทศไปสักสิบนาทีใช่หไหมมีคนจิตว่างวาบขึ้นมาว่าวาบขึ้นมาเลยนะว่าความว่างมากระทบใจหลวงพอ่อเขาธรรมะก็หายไปหมดเลยนะงั้นถ้าไปฝั่งซีดีคราวก่อนนะจนะสังเกตหลวงพอ่อเทศนิดเดียวนะก็เลิกแล้วหยุดแล้นะเพราะธรรมะหายไปหมดแล้ว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 กลับมาสักการหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะพูดดังๆหน่อยนะหลวงพ่อแก่แล้วผูไม่ค่อยได้ยินแล้วถามครั้งแรกคะ่ะ เ, เ, เคยมาที่ศารานุชินแล้วก็ฟังซีดีค่ะก็จากนั้นก็ดูกายดูจิตตามไปได้เรื่อยจนมาวันนึงอะคะ่ะเขา้าคือทํากิจวัตรประจําวันตามปกติคือแล้วก็รู้สึกแวบเดียวเลยคะ่ะว่ากายเนี่ยไม่มี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 ไม่รู้จะอยากได้อะไรไปเพื่ออะไรแล้วเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจะรู้สึกวงหงๆจับอะไรไม่ถูกนะจะว่ากลัวก็ไม่เชิงจะว่าเบื่อก็ไม่ใช่นะใจมันเบื้องวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้รู้สึกวังเวงใจอย่างเงี้ยนะเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปอีกสภาวะนั้นก็จะดับอย่างเรากลัวขึ้นมาเราอยู่ๆบางคนยกมือขึ้นมาจะหวีผมเมื่อวานหรือวันสุ่ยก็มีคนเล่า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 ก็เป็นศักวะนามนะไม่มีตัวเราอย่างแท้จริงเนยใจอิ่มเอิบยอมรับนะก็ตัดสินความรู้เลยเป็นพระโสดา บ, บันไปเลยแต่นี้ผวาวยุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันยื่นมือมาแล้วนะอย่างนี้น่ากลัวนะใครรู้สึกเอานะดีแล้วรู้สึกไปแสดงว่าเริ่มก้าวหน้าแล้วครับเออกลับนวัศ ก, การมหลวงพ่อครับเออจะถามหรือจะนวัต ก, กรรนมะ่ะเออขอส่งกันบ้านนะครับ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 ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนี่เพราะมันไม่ใช่ตัวเราอืมอ้าต่อไปมัดการหลวงพ่อค่ะหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อไปแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าหนูติดเพ่งอยู่เ อ, อค่ะหนูตอนนี้ตงื่นเต้น แ, แ, แล้วดูออกไหมที่หลวงพ่อว่าติดเพ่งอ่ะก็รู้สึกว่ามันเก่งมากค่ะหนูนก็เลยเลิกปฏิบัติ อ, อจิตขณะนี้กับจิตที่ส่งกันบ้านคราวก่อนแตกต่างกันยังไงดูออกไหม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 แต่ถ้าเราเพ่งนิ่งๆไม่หลงไปไหนเลยแต่นิ่งซึมกระทืออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีไตรลักษ์ให้ดูนะั่นดีขึ้นนะต้องมีอะไรแก้ไขอีกไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องแก้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ใจมันยังบอบช้ำมาจากการที่ถูกกดมานานอยู่รู้สึกไห ม, ามาแต่ก่อนกดอ ย, ยู่เรื่อยๆไม่รู้สึกว่าบอบช้ำนะพอเลิกกดเราถึงรู้ว่าช้ำไหนไปหาใบาบัวโบกกินนะไปมันบอบช้าอยู่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 ทีนี้ก็ได้มีฟังประโยคนึงของหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งสมถะน้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าวิตตกจริตให้ดูจิตนะไม่ใช่หละค่ะจรคตวิตตกจริตนะมีราคาจริตโทสะจริตโมหจริตใช่ไหมวิตตกจริตพุทธที่จริตศรัทธาจริตหกจริตเนี่ยเอาไว้เลือกอารมณ์ทําสมถะส่วนอารมณ์ทําจริตสําหรับการทํามิปัสนามีสองจริตอย่างคือตัณหาจริตกัททิจริต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 เอางี้ให้มันเผลอบ่อยๆได้ขั้นแรกนะหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนท่องพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยจำสภาวะได้เร็วขึ้ น, นถ้าเราอยู่ๆเราจะดูไปเรื่อยๆบางทีก็หลงนานะงั้นมีรูปแบบกรรมฐานสักอันหนึ่งหัดพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธไปนะ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 เงี้ยใจมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะไม่ใช่จงใจไปรู้อย่างนี้นะรู้จงใจรู้จะทื่อๆรู้เล่นๆไปรู้โปร่งๆขอบคุณค่ะค่ะกรรมน้ำสกาย่ะหลวงพ่อค่ะทราบว่าตัวเองเป็นคนมีโทสะจริตนะคะก็คือจะเป็นคนที่ อารมณ์โกรธบ่อยๆ อ, อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอรู้สึกตัวปับ๊บมันก็จะเริ่มรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะจากแรกๆมันจะพุ่งขึ้นมาสูงปย๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแล้วก็พอตอนหลังมันก็จะพุ่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยอย่าไปเกลียดมันนะ ให้ดูเฉยๆดูเหมือนคนอื่นโกรธ uh huh. แล้วก็จะมีเผลอคิดนะคะ <c oughs> อย่างนี้พอเราตามรู้แล้วเราก็เผลอคิดบ่อยๆอะคะอ่ะเราสามารถใช้เทคนิคแบบกั้นลมหายใจอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อไม่ให้เผลอคิดถ้ทาทาผิดแล้วจิตมันมีหน้าที่คิดจิตจะต้องคิดเราไม่ได้ฝึกให้จิตเลิกคิดนะแต่พอจิตมันคิดไปแล้วนี่ให้เรามีสติรู้ทันมันว่าจิตหลงไปคิดแล้วใจจะตื่นขึ้นมาช่วขณะ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 ต บ, ตบมืออย่างเงี้ยหรือวิธีตีขายเง <P ew> ี้ยเพื่ออะไรลนะ่ะเพื่อให้จดจําได้อโอ้โหมันไม่จำหรอกนะ <c oughs> บางคนนะอย่าว่าแต่ตบมือเลยบางคนเป็นเขกหัวตัวเองป๊อก <c oughs> ปเนี่ยเนี่ยเจ้า น, น, นี้แหละหลวงพ่อยังเตือนนะสหัดทีแรกเฮ้ยทํากรรมฐานเขกหัวป๊อกป๊อ ก, ป อ, กอก๊บอกเจริญสติบอกใครเข้ามาเห็นนะเขาไม่นับถือาศาสนาพุทธละกว่าจะบรรลุปัญญาอ่อนก่อนอย่าไปบังคับมัน นะแต่ว่าพยายามเดินจงกรมพยายามอะไรเนี้ยกระดุกกระดิกไปนะหรือถ้าบ้านเราแคบไม่มีที่เดินเราก็ขยับมือไปหัดขยับมือขยับมืออย่างนี้ก็ได้นะสบายสบายรู้สึกไปอย่างผ่อนคลายเห็นมือมันกระดุกกระดิกไปเรื่อยเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆนะแค่รู้สึกเป็นให้มันมีเครื่องอยู่ไว้ก่อนมีการซ้อมไหมเราไปสติมันจะเร็วขึ้นนะอยัางสายลงพ่อเตียนใช่ไหมหลวงพ่อเตียนขยับ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 ตัวนั้นแหละคือประตูของการบรรลุอริยมรรคงั้นตอนนี้คุณต้องดูต่อไปอีกใจเป็นเบื่อก็ดีแล้วให้รู้ทันลงไปอีกว่าไม่ชอบมันอยากจะพ้นจากความเบื่อให้รู้ทันไปนะครั บ, ค, รบคนต่อไปขออนุ ญ, ญาตครับือมีอันหนึ่งที่อยากจะส่งกันบ้างใน้หลวงพ่อทางเลยบ้างนะครับคือหลวงพ่อตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะไหมครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็ยังต้องการผู้ชี้ทาง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 ถ้าไปกราบหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยพระอุปถากท่านจัดการไว้ให้เลยหมายถึงพอเห็นหน้าเราเนี่นะจะรีบกันกันให้เข้าไปหาท่านนะพอเข้าไปกราบเรียนธรรมะท่านอะไรเงี้ยท่านตอบท่านอะไรเนี่ยนะท่านล่าเรืองใจเสร็จแล้วท่านก็บอกพวกพระนะว่าถ้าท่านมีลูกสิทธิ์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนนะท่านจะอายุถึงร้อยปีแต่นี้ท่านอยู่ได้เก้าสิบสาปีเพราะมีน้อยไปหน่อยพวกเราภาวนาให้ดีนะภาวนาไปเถอะ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 เนี่ยนายโยทีเดียวเป็นคนทำซีดีทำให้หลวงพ่อเหนื่อยทุกวันเนี้ยอ้ามีใครไหมมีใครอีกปล่าหมดจางกราบนมรส ก, การหลวงพ่อค่ะปฏิบัติกับหลวงพ่อที่ส่วนสันตินันมาสามเดือนทั้งอ่านหนังสือและฟังซีดีค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าขณะนี้โยมปฏิบัติได้เป็นยังไงนะคะต่อไปโยมไม่ต้องพูดดีกว่านะโยมพูดเหมือนกันทุกคนเลยนะว่าขณะนี้เป็นยังไง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 ขณะนี้อิสระไหมขณะนี้อิสร ะ, ะขณะนี้เราเกินจริงอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมค่ะจิตใจของเราขณะนี้ก็จิตใจของเราตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหรือตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมค่ะกลับไปใช้จิตใจตอนที่อยู่บ้านค่ะนั่นตัวจริงของเราค <Okay. S 2> นะ่ะตอนนี้เราเราเกินจริงเราทําสํารวมเพราะเราตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นเราก็เลยสํารวมรู้สึกไหมเราสํารวมกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมจิตตอนนี้สว่างกว่าเมื่อกี้ทราบค่ะนะ เ่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเลิกแกล้งสํมลว่มแล้ว <c oughs> เราปล่อยตัวจริงออกมา <c oughs> จิตโดยตัวของมันเองน่ะมันประพัดสอน <c oughs> ตัวจิตเองมันประพัดสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาต่างหากงั้วเราอย่าไปแกล้งทำอะไรขึ้นมาน <c oughs> ปล่อยจิตตัวจริงให้มันทำงานออกมา <c oughs> มันจะเห็นเลยว่าตัวจิตเองนั้นมันประพัดสอนมันผ่องใสรู้สึกไหมมันใสขึ้นพอเราเลิกไปกดมัน ทีหลังอย่าไปกดมันนะเ อ, ออย่างค่อยตัวจริงหน่อยอย่างเมื่อกี้บอกว่าตัวจริงหลวงพ่อไม่เชื่อ <c oughs> เลยโยมมีคำถามว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะออพอจิตสงบแล้วจะเห็นมันจะเห็นแวบว่าเห็นกายนั่งอยู่อะฮะถูกแล้วนี่ลังไงอีกแล้วก็ก็เห็นจิต ก็ติดก็ดูตามลมเข้าออกนะะอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะถูกนะแต่ว่าเวลาที่ไปรู้ลมเข้าออกนะอย่าน้อมจิตให้เบลเลอๆลงไปนะของคุณเคยชินกับกรรมฐานที่เคยทํามาพอไปรู้ลมแล้วจะน้อมใจให้มันซึมซึมไปนิดๆอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ไม่เอาไม่น้อมให้ซึมนะค่ะหายใจเล่นๆเห็นไอ้ตัวนี้มันหายใจนั่งดูเหมือนดูคนอื่นหายใจ <c oughs> เราไม่แกล้งทําใจเอย่าไปน้อมอย่างนี้นะ <c oughs> ้ระหว่างในรูปแบบกับชีวิตประจำวันนะคะเราควรจะเราต้องทำทั้งคู่ทำทั้งคู่<า>ต้องทำทั้งคู่นะไม่ใช่ทำอันเดียวทีนี้ในรูปแบบมันไม่ค่อยเป็นประจำมันไม่ค่อยมีวินัยเออต้องมีวินัยสินะอย่างน้อยทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์เลอจงกรมอะไรเงี้ยสักานาทีก็ยังดีนะทำในรูปแบบไว้ ใ, ให้มันคุ้นเคยถ้าคนเราปฏิบัติโดยไม่มีรูปแบบเลยนะไม่มีวินัยในตัวเองนะ จิตมกักจะฟุ้งสั้นดูเจริญสติในชีวิตประจําวันในช่วงหนึ่งเ น, นก็จะหลงหลงไปหลงยาวการทําในรูปแบบจะทําให้เราหลงสั้นลงนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าคุณห า, าใช้ได้นะวันนี้หาใช้ได้คุณผู้ชายนี่ใช้ได้นะที่ตาแดงแด ง, ง่วงอะ่ะใช้ได้นะภาวนากลยุทธใช้ได้พันน้ำมการหลวงพ่อ ค, ค่ะคือว่าอยากจะ อถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมานี้เนี่ยสองปีแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะค่ะเห็นกิเลสไหมเห็นกี่เลสเห็นค่ะเออแต่เดิมไม่เห็นตอนนี้เห็นนี่แหละคืบหน้าน่เอาละฮะแต่เดิมหลงยาวตอนนี้หลงสั้นลงรู้สึกไหมใช่ใช่ะนั่นแหละคืบหน้าอ๋อแล้วอยากถามหลวงพ่อว่ามีบางช่วงเนี่ยที่เรากําลังมีความโกรธกรธจัดเนี่ยคือว่าใจเราจะเต้นแรงมากคือโกรธ บางครั้งก็ระ ง, งับอารมณ์ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันพุ่งออกมาทางวาจาเลยเพราะระ ง, งับไม่ได้ยังแก้จะแก้มีวิธีแก้ยังไงบ้างะคะแกไม่ได้มันพุ่งไปแล้ว <c oughs> พุ่งไปแล้วนะ <c oughs> ก็รู้ทันว่าตอนเนี้ยถูกกิเลสครอบงําไปแล้วนะแล้วเกิดเสียใจว่าไม่น่าทําอย่างนี้เลยรู้ปัจจุบันอีกว่ากําลังเสียใจนะอ๋อค่ะหัดรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆต่อไปสติ เ, เราจะเร็วตสติเราไวาขึ้นไวขึ้นเนี่ย กิเลสจะไม่ทันโตหรอกตัวเล็กๆก็ขาดไปก่อน อ, อ๋อค่ะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้นะคะที่ตัวปฏิบัติใหม่ๆอ่ะตัวรู้สึกตัวเองเนี่ยปวดหัวมากมเครียดจัดเ อ, อเพราะว่าไปเพ่งไงฮ ะ, ะพอมาอฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็รู้สึกดีขึ้นอือฮะดีสิ <c oughs> ค น, นที่ฝึกกับหลวงพ่อนะโอกาสจะไปอยู่ศีรัะญรราบ้านสมเด็จนี้ <c oughs> น้อยมากนะยังไม่เคยมีเลย เ, เพราะกรรมาฐานที่แท้จริงเนี่ยฝึกแล้วจะไม่เครียด <Okay. S 2> จิต ท, ที่เครียดเป็นอากูศรจิตนะค่ะจิต ท, ที่เป็นมหาอากูสรจิตเนี่ยจะไม่เครียดเออคือว่าอยากถามหลวงพ่ออีกข้อนึงคือว่าบอกว่าเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะบอกว่าคนที่รักษาสี่ห้าถ้าไม่บริสุทธิ์หรือดั่งพลอยเนี่ยจะการปฏิบัติจะไม่คืบหน้าเลยจะแบบว่าหยุดเลยอะแบบคือว่าจะต้องบ้องใส่จริงๆไม่มีบดั่งพลอยเลยเงคะ่ะไม่ดั่งพลอยเลยถูกต้อ ง, ต, องต้องไม่ดั่งพลอยเลยในขณะที่อริยมรรคเกิด แต่ว่าแต่าบางบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราเราเราอยู่แบบในขณะที่เราพูดคุยกับคนทั่วไปเนี่ยนะคะคือแบบบางครั้งอะกลุ่มคนที่มาคุยด้วยก็นินทาคนนู้นแม่งคนนี้แ้างบางทีเราก็ระลึกูได้ว่าเราไม่พูดเราฟังเฉยแต่บางครั้งลืมตัวเพรางร่วมร่วมวงร่วมวงกับเขาอืเราก็ต้องรับอกุศลวิบาก์ <c oughs> นะพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วจิตเราจะต้องฟุ้งซ่านไปอีกช่วงหนึ่งแล้วก็รับกรรมของเราไป ค่ะอ๋อขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะแล้วเชื่อหลวงพ่อไหมไอคนในกลุ่มที่ไปร่วมกันนินทาคนอื่นอนะ่ะพอเราคล้อยหลังก็นินทาเราเหมือนกัน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะเจอบ่อยมากเพราะว่าธรรมชาติคนชอบนินทานะแตอนนี้แม้ร่วมมือกันเมาสนินทาคนอื่นนะ <c oughs> พอคนหนึ่งมันคล้อยหลังก็ก็นินทาไอคนที่หนีไป <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พยายามค่ะฟังเฉยๆเราจะบอกเขาว่าบางทีเขามาถามเราก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นนะคะ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 ถ้าคิดจะทําเมื่อไหร่ในศีลธรรตาปรามาธทั้งนั้นเลยในความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ใช่ศีลธรรตาปรามาธนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเท่านั้นเกินจากนี้แหะศีลธรรมตปรามาธละครับถืออุโบสถถามว่าถือเพื่ออะไรคือถือไว้ว่าเป็นปัจจัยคือในกรณีที่เราคืออย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ออกจากกามเอคือหมายถึงว่าเราก็คือฝึกเหมือนว่าสร้างเหตุเอาไว้ เพื่อคือเหมือนว่าเมื่ อ, อไหร่ได้ผลก็เมื่อนั้นได้ผลก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าโอเคเราเราปรีจะกาีฝึกไว้นะแต่ว่าจะถือศีลแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องมีสตินะสม่าใจเราไหลไปทางการมเราก็รู้ทันนะหรือเราถือศีลมานานไม่มีความดั่งพร้อยเลยเราภูมิใจภูมิใจว่าเราดนะีคนอื่นสู้เราไม่ได้เราก็รู้ทันนะถือศีลแล้วเราก็มีสติคอรู้ทันจิตใจตัวเองเนือง ในความเป็นจริงเราถือศีนเนี่ยเพื่อลดเครื่องพลุงพลังทางใจนะล้เครื่องพลุงพลังนี้บางคนสมมุติสุขภาพไม่ไหวเลยนะจะไปถือศีนแปเลยถือแล้วเครียดอะไรเงี้ยเรียกว่าถือแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ถือแล้วผลุงพลังนะของคุณถือแล้วคุณสบายคุณก็ถือไปนะครับอาการนักการอีกข้อนึงครับเรื่องของบุพกรรมเนี่ยมีการตัดรอนในการปฏิบัติไหมครับมีสิเช่นเราภาวนานะจนจะบรรลุมรรคผลอยู่แล้วตายซะก่อนอะไรเนี้ย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 ใจเป็นคนดูอยู่ตังหากนะใจไม่กระเพิ่มหวั่นไหวสักแต่รู้สักว่าเห็นไปเรื่อยๆนะท่านเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายพอดีเลยเพราะฉนั้นเวลาที่จิตของคุณฟุ้งซ่านคุณก็นึกถึงศีลที่เรารักษาวไว้ดีแล้วนี่แหละจิตก็จะสงบขึ้นมาเรียกว่าศีลานุสตินะครับมาจิตส ง, สงบแล้วตามดูจิตต่ตอไปครับนะอย่าไปให้จิตเฉยๆนะถ้าสงบแล้วเฉยๆมันก็ได้แค่นั้นแหละชาติหน้าก็ไปถือศีลอีกแล้วก็ได้อย่างนี้อีก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 เรามีหน้าที่ตรวจคนไข้เราก็จดจ่ออยู่กับ ง, งานจดจ่ออยู่ใจไหลไปคิดเรื่องอื่นปั๊บสติก็จะเกิดขึ้นเองจะรู้ทันขึ้นมาเองงั้นต้องซ้อมนะหัดพุดโทรไปเรื่อยๆแต่คุณหมออย่าไปตึ ง, อ ย, งนะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะทื่อไปต้องทําใจให้เบิกบานยิ้มก่อนยิ้มทีหนึงยิ้มหวานๆเออเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วเขินนิดๆรู้สึกไหมค ร, ครัเ อ, อ่ยิ้มแล้วเขินรู้ว่าเขินเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้อย่าไปแกล้งทํางี้นะ อย่างนี้ไม่ไม่ได้ฝึกสติหรอกครับมันฝึกเก็บกฎใช่ขฝึกเอานะฝึกเอาหมอมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะนะที่วัดหลวงพ่อนี่หมอเยอะเลยหมอกับวิศวะเยอะเอาหินมาสามก้อนนักกว้างในสลาหลวงพ่อต้องถูกหัวหมอหรือวิศวะสักคนขอบคุณครับตามเจ้าค่ะ ลกขอโอกาสนะคะจะ ย, ยกไม่อย่างนี้ไม่ไม่ใช่ยกป้ายยกมไม่การมานาส ก, การเจ้าค่ะลกขอโอกาสสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เดินทุกต้องต้องทำเล่นๆนะอย่าจริงจังดูเล่นๆดูสบายๆดูแบบพอทคลายนะดูเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปจริงจังมากไปมันจะนิ่งไปจริงจังลดลงนิดนึง เลดความจริงจังลงนิดหนึ่งเคร่งเครียดไปทําให้สบายกว่านี้อีกเอายิ้มก่อนยิ้มก่อน <c oughs> เห็นไหมยิ้มก็เป็นกรรมฐานนะเห็นไหม <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนมันกรรมฐานทั้งหมดแหละเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมใจผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้่เียใจผ่อนคลายเนี่ยให้ใจมันผ่อนคลายเงี้ยแล้วค่อยดูความเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง น, นะเริ่มต้นก็จ้องไว้แข็งปอกไม่ดีค่อยฝึกไปใช้ได้อยู่ แต่ลูกไม่ได้ติดสมถะใช่ไหมคะก็คล้ายๆอย่าไปเพ่งนะอย่าเพ่งอย่างนี้ต้องเพิ่มสมาธิอีกไหมคะไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าไปกดใจให้นิ่งจะไปเพิ่มสมาธิยิ่งกดเก่งเข้าไปอีกให้ใจใจสบายๆยิ้มไปเรื่อยๆยิ้มไหมยิ้มไปอย่างมีความสุขมีความผ่อนคลายรู้ตัวไปอย่างผ่อนคลาย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 พาจะจำได้ยังมันเบาๆอย่างเงี้ยนะถ้าแข็งปึ๊กๆนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเริ่มแข็งแล้วรู้สึกไหมลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนลืมการปฏิบัติไปหันไปดูทางโน้นไปดูซิมีแม่ชีกี่องค์แล้วบอกหลวงพ่รู้สึกไหมใจไปอยู่ทางโน้นเห็นไหมสดชื่นเลยรู้สึกไหมอย่าไปกดมันไว้จิตเหมือนเด็กนะยิ่งเราบังคับมันยิ่งเครียดปล่อยให้มันสนไปแล้วเราตามดูมันไป เห็นไหมพอให้มันสนแล้วมีความสุขรู้สึกไหมจำไม่น้าปล่อยให้มันสนไปแล้วตามดูไปเ <c oughs> จ้าค่ะพอดีใจละ <c oughs> เมื่อกี้เลิกไม่ได้นะเลิกเครียดกลับบ้านเดี๋ยวจะเครียด <c oughs> ั้งอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะไปถึงไหนละกราบนมัดการค่ะคื อ, เ, อ, อเวลาที่ปฏิบัติอะคะ่ะบางครั้งฟังซีดีหลวงพ่อหรือว่าพอรู้สึกว่าหันมาดูจิตแล้วจะรู้สึกตัวเอง โยกอยู่เสมอเสมอไม่ทราบว่าไปเพราะไปเพลงหรือว่าติดอะไรอะค่ะไปทําอะไรเสมอนะคือพอพ อ, พอมีความนิ่งพอรู้สึกว่าเออตัวเองนิ่งแล้วก็มีมีสติก็จะรู้สึกตัวเองจะโยกอยู่เสมอเสมอค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรอะค่ะเขาเรื่องอาการของสมาธินะติดสมาธิหรือเปล่าจิตมันน้อมไปหาปิติเนี่เป็นเรื่องของสมาะแต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งอะคะอ่ะแสดงว่าจิตไม่ได้รวมเข้าไปตรงนั้นทุกที ยลวงพ่อตอนหันใหม่ๆนะพอนั่งแล้วมันโยกยกนะเฮ้ยอะไรวะแปลกถ้าจะดีโยกอย่างนี้แหละช่วยมันโยกด้วยนะ <c oughs> โยกโยกสักวันหนึ่งคงจะเป็นพระอรหันต์คือพยายามค้นหาว่าเอ้เราไปเพ่งหรือเปล่าถึงโยกแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเอ้มันเป็นมันเองอะคะอ่ะให้รู้ว่ามันโยกแต่ว่าไม่ได้เป็นตอนที่ทําในรูปแบบนะคะหมายถึงว่าเวลาที่จะฟังซีดีหรืออะไรก็บางครั้งก็เป็นเองอ ย, อย่าตั้งใจแรงนะัก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 การที่เราเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในขันห้าตัวเราไม่มีนอกเหนือจากขันห้าด้วยนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะงั้นให้เรารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเนืองเนืองไปนะวันหนึ่งก็จะเป็นพระโสดาบันปิดอบายได้นะเอาตัวรอดได้ชั่วคราวละยังเหลือลำบากอีกอย่างมากเจชาติอีกเล็กน้อยถ้าไม่ขี้เกียจขี้คลานนะก็เหลือสมชาติเหลือชาติเดียว หรือพระโสดาบันอีกพวกหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วก็ภาคเพียรต่อไปนะก็จบในชาตินี้ก็มีนะงั้นต้องภาคเพียรเป้าหมายแรกต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราค่อยรู้กายคอยรู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะต้องรู้สึกตัวก่อนอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆรู้สึกตัวทําใจโปร่งๆเหมือนโยมเนี่ยใจโปร่งๆขึ้นมาก็จะเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะสภาวะทั้งหลายก็แยกตัวออกไป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 พอใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งรูปประธรรมนามารมในกายในใจรู้ไปเรื่อยนะรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยปัญญาก็จะเกิดเลยเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้ใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งหยุดความปรุงแต่งนะใจหมดจากความยินดีหมดจากความยินร้ายใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งพอใจหมดความปรุงแต่งนี่นะอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะเกิดเองเลยนะจิตจะรวมเข้าอัปนาเองเลย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 จนถึงครั้งที่4ี่นะครั้งที่4จิตจะไม่ปรุงอะไรอีกแล้วจะเหลือแต่การทำงานของจิตล้วนๆจไม่มีความปรุงแต่งอีกแล้ค่อยฝึกเอานะวันหนึ่งก็จะไปสู่จุดนี้ได้ทุกคนแหละถ้าไม่ไม่ท้อถอยซะก่อน ถ, ถึงเวลาสมควรนะครับจะเรียนเชิ ญ, ญญาติโยมทุกท่านร่วมกันถวายทานนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์พระโมทปามโมดโชขอพระอาจารย์ได้โปรด ร, รับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเถรยถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชชตุสพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนรารโสยถามณีชโชติราโสยถาสภิติโยวิวัตชันตูสภโรโควินัสตูมาเตภวั ต, ว, ตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภาอาภิวาธนาสีลลสนิจังุทธาปจายิโนจัตตารโรธรมาวันติอายุวันโนสุขขังพระลัง